อย่างเดยวเราก็นำธงที่ยวมาถวายกันได้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวปี่หน้าก็ามาปักธงเที่ยวขึงธงเที่กันให้ปิวสวัยกันพบปะเหมือนกับที่ประเทศอินเดียที่ประเทศอินเดียที่ป่างประสูตรป่างตัดสรูสถานที่ตัดสรู้สถานที่ประสูตร ปฐมมเทศนาลจะมีธงทิวนิปปลิวสว่างสวัยกัดเห็นแล้วก็มีความสุขใครไปใครมาแล้วก็มีความสุขมีโอกาสมีส่วนร่วมน้อมนํำธงทิวลิมาร่วมในพิธีนะคนละชิ้นสองสิ้นคนละอันสองอันให้มีส่วนร่วมกันในผัดสบกตั้งแต่นู้นปางประศุด ออกมาทางลงปูใหญ่เข้ามากลางป่าไปปางลีลาปางปฐมมเทศนาธรรมจักอันนี้เป็นบุญระดับองสมมติส่วนบุญของระดับบิมุตเราต้องศึกษาจเจริญสติคน้นคว้ารู้จักรักษณะคงใจของเรารู้จักรักิเลสออกจากใจของเราให้ได้ทุกเริยบทยืนเดินนั่ ง, น, งนอนจินอยขับท่าย เราต้องศึกษาชีวิตของเราให้ละเอียดก่อนที่สภาพร่างกายจะหมดสภาพเราพยายามดูพยายามศึกษาขณะกำลังกายของเรายังแข็งแรงอยู่อย่าไปเลือกการเลือกเวลาคนเราเกิดมานี่ก็มีอานิสงส์แห่งบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็ยังหลงอยู่หลงเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลง แล้วก็เข้าไปยึดสร้างภพสร้างชาติภพของมนุษย์มีกายเนื้อแจงลงไปอีกมีกองมีขันที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันมีวิญญาณเข้ามาครอบครองเราต้องจเจริญสติเข้าไปหมั่นพร้มสอนใจตามรู้ตามรู้หาเหตุหาผลให้ใจของรู้ความเป็นจริงเขาถึงจะปล่อยจะวางได้ส่วนอัตภาพร่างกายของเรานื้อมันมีความเสื่อมตั้งแต่วันเกิด เดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็รอ้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็หิวมีการเสื่อมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดเกิดขึ้นมาก็จะเลื่อนไหวนในคือเสื่อมขึ้นแหละถึงวละเวลาก็เสื่อมหลงหลยเสื่อมขึ้นเสื่อมหลงหมดสภาพกลับขึ้นสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลงไปแต่ใจตรงไปตกตราบไดที่ยังเกิด เขขอให้เกิดอยู่ในกองกุศลนวายเกิดอยู่ในกองบุญหลวงพ่อก็จะพาทำบุญพาสร้างบุญระดับพงสมมติให้เต็มเปรีบระดับปีมุติจิตหลุดพ้นต้องขัดเกา่ากิเลสเอากิเลสเกิดขึ้นที่เราเราก็ต้องแก้ไขเอาไม่ใช่ไปเที่ยวให้คนโน้นคนละให้คนนี้เขาละให้แนวถากนั้นมีอยู่เราต้องละเอาแต่การ สร้างบุญสร้างบา ร, รมีทุกคนก็ต้องสร้างไม่ว่าไม่สร้างต้องรีบสร้างแม้ตแต่ความคิดก็ให้คิดในทางที่ดีมองโลกในทางที่ดีเห็นใครได้ดีแล้วก็อนุโมทนาสาธุเราก็มีส่วนบุญนั้นด้วยถ้าเรามีโอกาสทำเราก็ทําลงไปเลยทั้งทางกายทางวัจาทั้งทางใจให้เป็นบุญแต่ว่าไม่ทบ จะเป็นมัวหมองตั้งแต่ความเจ็ดคลานเนื้อวความเจ็ดคลานเขาครอบงำไม่รู้จักปักไฝไม่รู้จักสนใจไม่รู้จักสเสาแสวงหามันก็เลยมีตั้งแต่ความตกอับเพีงแต่แค่ความคิดคิดไม่ดีก็ตกอับแล้วแต่คิดอกุศลก็ตกอับแล้วท่านจึงอบอกให้จัดการตั้งแต่ความคิดอารมณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งทางสมมุติก็ให้บริบูรณ์ไม่ให้ลำบากปัจเจ sĩ ที่พักที่อาศัยโลกธรรมเราก็ต้องทําให้บริบูรณ์สมมุติก็ไม่ได้ลําบากพยายามเอทั้งพระเราชีเราก็ช่วยกันขยันมันเพียรมีความเฉละทั้งกายทั้งใจอความเจริญในระดับของสมมุติออื ใครไปใครมาก็มีความสุขหนักเอาเบาสู้จากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็แทบไม่มีถ้าเราไม่สร้างความขยันมันเพี้ยนให้ตัวเราไม่มีใครจะทําให้เราลอกเราก็ต้องสร้างความขยันมันเพียนสร้างความรับผิดชอบจริงมาอยู่ด้วยกันเยอะๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ล่วนแต่เกิดแต่เหตุเหตุปัจจัยภายนอกเราก็ช่วยกัน ยังสมมุติให้เกิดประโยชน์ญิ่งทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่ความอยากอยากในอาหารอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงถ้าเกิดจากตัวใจนั้นท่านให้ละให้ดับให้ว่าอยากไปอยากมาไม่อยากไปไม่อยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นความอยากนั่นแหละตัวปิดกัน้นเอาไว้หมดเลยทีเดียววิบากกรรมของแต่ระบบขนสร้างมาไม่เหมือนกัน คนก็สร้างมาไม่ได้ลำบากทางสมมติทางด้านวิมุตตก็ได้ศึกษาเราเรียนทำความเข้าใจน้อมเข้าไปวิเคราะห์ใจของตัวเราตลอดเวลาอะไรไม่ดีก็รีบแกะไขเสียมันก็ดีขึ้นอย่าไปปล่อยปะละเลยตั้งแต่คิดคิดไม่ดีแล้วก็พยายามละพยายามดับจิตใจของเรามีความอ่อนน้อมทาตน ใจิตใจของเรามีความปิติมีความสุขในการสร้างคุณงามความดีทำดีอยู่ปัจจุบันทำดีอยู่ในโลกนี้ในในโลกหน้าอย่าเพิ่งไปพูดถึงเธอเอาโลกปัจจุบันนี้ให้ดีสิก่อนเราก็พลอยได้รับความสุขในสิ่งที่พวกเราทาปีหน้าหลวงพ่อก็จะพาสรลองสมโพธ์ใครใครมาตั้งรงทานตั้ง ใครอยากจะน้มกายเข้ามาช่วยมาปีนี้ก็คงจะเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างปีหน้าก็คงจะเริ่มบริบูรณ์หมดส่วนมะลิวันก็ต้นกระลับประพึกก็คงจะออกดอกกันเกือบจะเต็มมดทั้งไม้หอมไม้ประดับทั้งความบริบูรณ์ที่พักที่อาศัยไมย่ได้โรนนี่โอกาสก็ามาช่วยกันใครมา ไล่ตั้งหลงทานมามาช่วยแจกฐานมามาส่งน้ําพระบรมสาริกธาตุมาปิดทององค์พ่อประรมสาริกธาตุนิ ม, มนต์พระผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งจังหวัดหนึ่งมาทําบุญให้ทานุหลงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะตําบลพระสงค์องค์เจ้าวิ่ใไล่มามาจะพาทำหลงฐาน จะพาทำบุตรถอดกิเลสของเราเราก็ละเอานะหลวงพ่อละให้ไม่ได้ความโลภความโกรธความประเยะทยานอยากของเราเราต้องละเอาอการจเจริญสติไม่เข้าใจมาถามท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณจะชีเนี่ยให้การจเจริญสติเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้สติที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้ บุคคลที่มีบุญมีปัญญาฟังนิดเดียวไม่จำเป็นต้องไปพูดไปคุยบางใหม่ไปรีบทำรีบวิเคราะห์ตัวเองอะไรขาดตกปกพองรีบแก้ไขทำไมเราถึงลำบากทำไมเราถึงไม่มีความพร้อมเราก็มาแก้ไขตัวเราแล้วก็ปรับปรุงตัวเราอะไรไม่มีเราก็รีบสร้างให้มีทำให้มีอะไรที่ไม่ดีเราก็พยายามละ จัดระบบระเบียบชีวิตของเราขณะยังมีลมหายใจอยู่จะพาทมอั น, นีสงส์สร้างอา น, นิสงส์แห่งบุญให้เต็มที่ทั้งใกล้ทั้งไก ล, ไ, กลได้ยิน ข, าข่าวก็มาช่วยกันหลวงพ่อก็ขอขอบใจทุกคน ใจละผ่อนกันอ๋ขออย่าจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความ ร, ร, รู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจะมุขคงเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวได้ต่อเนื่องกันแล้วด้วยอย่างตรงนี้แหละเราไม่มีความเพียรทั้งที่ใจก็เป็นบุญใจอยากจะได้บุญใจอยากจะเอาบุญอย่างเดียวทำบุญอย่างเดียว การทำบุญให้ฐานมันก็ได้บุญนั่นแหละแต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้เราต้องมาเจริญสติเข้าไปทำความเข้าใจว่าลักษณะของใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นใจที่แยกออกจากความพิดออกจากอารมณ์เป็นอย่างไรส่วนมากเราจะรู้ไม่เท่าทันเพราะากาลังสติของเรามีน้อยเราต้องพยายามมาสร้างมาทาความเข้าใจ แล้วก็มันวิเครามันขัดเกลากิเลตมันปรับปรุงใจของเรามันพร้อมสอนใจของเราให้อยู่ในพรมวิหารให้อยู่ในความเมตตาไม่ให้จิตใจของเรามีมนถินไม่ให้จิตใจของเรามีอคติไม่ให้จิตใจของเราพุ่งสัน้นมีกันหมดทุกคนแต่วิธีการที่จะเข้าไปจัดการให้เร็วให้ไวให้เด็ดขาดต้องขึ้นอยู่กับความเพียรแนวทางนั้นมีมาตั้งนาน ธรรมชาติของจิตของใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นใจที่ไม่เกิดเขาก็สงบเขาก็สะอาดแต่คนเราชอบฟังชอบอ่านชอบคิดเอาแต่แต่เหตุแต่ผลแต่ไม่ได้เจริญสติเข้าไปดูรู้เหตุรู้ผลแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ละออกจากใจของตัวเอง มันก็เลยปิดกั้นตัวตัววิญญาณก็เลยปิดกั้นตัวตัวของเขาเอาไว้หมดเลยทีเดียวท่านถึงให้มาเจริญสติเป็นแค่การเจริญกับการสร้างสติพวกเราก็ความเพียรก็มีน้อยไม่ค่อยเยอะอาจจะทำได้เป็นบางครั้งบางคราวอาจจะควบคุมใจได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ในหลักธรรมท่านต้องให้รู้ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออก จนเอาไปใช้จนเป็นอัตโนมัติในการขัดเก่ากิเลสในการดับความเกิดจนใจของเรายอมรับความเป็นจริงแล้วจนใจของเราไม่เกิดปล่อยวางให้เป็นธรรมชาติแล้วนั่นแหละถึงจะอยู่อย่างอิสระมีตแต่สนุกสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์อยู่ในระดับของสมมุติจนล้นออกไปอย่างมากใหม่มหาศาลบุญภายในก็ต้องเต็มก่อนอา น, นิสงส์ภายนอกเราก็ยังเปิดใจให้กว้างทําให้กว้าง เท่าที่กาลังกายกําลังสติปัญญาของหลอราจะมีความเพียบพร้อมหลวงพ่อก็พาทำทุกอย่างนั่นแหละทั้งสมมติทั้งบีมุติทั้งขีแนแนวทางให้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังเรื่องเก่าของเก่าอยากจะดําเนินให้ทุกคนได้ดําเนินเข้าไปรู้ฐานอง์ใจให้ได้เช่กนกันทั้งที่ปัญญาของทุกคนก็มีกันเต็มเปี่ยมแต่เข้าไม่ถึงฐานองใจ อยากจะให้เห็นฐานของใจต้นเหตุของใจแยกคลายภายในให้ได้ใช้กฎปัญญาส่วนอื่นปัญญาตามดูตามรู้ตามเห็นตามละตามทําความเข้าใจปัญญาที่จะเอาไปใช้ก็สมมติเขาจะตามมาอกีกถ้าเรารู้ใจแยกแยะได้อ น, นิสติความรูต้ตรวจที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ส่วนของใจ ทีนี้ใจก็ยังแจงออกไปอีกว่าอาการหงใจอีกที่ท่านเรียกว่าเป็นกองเป็นขันใจส่งออกไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างไรที่ท่านเรียกว่าส ม, มุทรไทยสาเหตุแห่งทุกข์จะเข้าหลักของอริยสัจเราต้องทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกถ้าคนเราปักไฝด้วยสตดิด้วยปัญญาสักวันหนึ่งก็คงจะเข้าใจสักวันหนึ่งก็คงจะเห็นไม่ได้ลําบากอาจจะลําบากนั้งแต่ช่วงใหม่ๆเพราะว่าเป็นการฝืนเป็นการทวนกระแส ถ้าเราเข้าใจแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างจะเอาก็เป็นเรื่องปัญญาอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองก็ต้องพยายามน ะ, ะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเขาออกให้ชัดเจนทําใจให้ว่างสมองให้โล่งทํากายให้ปโปรง่งมีความรู้สึกรับรู้ัมผัสทางลมหายใจให้โตเนื่องกันนะอ๋อฝากกันไว้ปลาพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อนะอันนี้เพียงแค่ย้มแค่ตื่นเท่านั้นเอง